คนเราทุกคนนะมีความสามารถในการคิดและการคิดเนี่ยของคนเราเนี่ยมันก็รวมไปถึงการคาดการคาดการนี่คือคาดการอนาคตรหรือคาดการสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่ไม่ชัดเจนไอความสามารถในการคาดการนี่มันก็เกิดขึ้นนะหรือมีกับมนุษย์แล้วก็สัตว์อีกไม่มากนะสัตว์ส่วนใหญ่นี่ไม่สามารถจะคาดการ สิ่งที่อยู่ข้างหน้าหรืออนาคตได้เพราะว่าสมองเนี่ยไม่เรียกว่าไม่พัฒนามากพอแต่ถ้อยากการคาดการแล้วนะมนุษย์เรายังมีความคาดหวังไอ้คาดการกับคาดหวังนี่มันใกล้กันนะแต่มันไม่เหมือนกันทีเดียวคาดการนี่หมายถึงมองไปข้างหน้าหรือมองสิ่งที่เป็นอนาคตที่เราที่ยังไม่แสดงตัวชัดเจน เป็นเรื่องมุมมองแต่คาดหวังนี่เป็นเรื่องความอยากนะเป็นเรื่องความต้องการ เ, เรื่องของจิตใจนะแต่ว่าบออ่อยครั้งเนี่ยการคาดการณ์คนเรามันก็แยกไม่ออกจากความคาดหวังนะหมายความว่าเราคาดหวังอย่างไงเราก็มกักจะคาดการณ์ให้เป็นไปอย่างนั้นนะเราไม่ได้คาดการตามเหตุตามปัจจัยหรือตามข้อมูลที่เราได้รับ อย่างเดียวนะเราคาดการไปตามอิทธิพลของความคาดหวังด้วยอยากได้อะไรมันก็คาดการไปอย่างนั้นก็เคยมีการทดลองนะให้คนหยิบไพ่หรือหยิบการ์ดเนี่ยจากอา่จากกล่องเนี่ยหรือจากกอง ที่แรกก็หยิบได้ภาพคนหัวเราะยิ้มแย้มพอหยิบไปก็ได้ภาพคนที่กลาดเกลียวนะจะเป็นภาพวาดหรือภาพถ่ายก็แล้วแต่เสร็จแล้วเขาก็ให้คาดการว่าเนี่ยภายในกองเนี่ยมันมีภาพคนหน้าตากาดเกลียว โกรธแค้นเนี่ยกี่เปอร์เซนต์ก็ทดลองกันหลายคนนะและสิ่งที่เขาพบก็คือว่าส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดเนี่ยก็จะมักคาดการภาพคนที่กำลังกลาดเกลียวเนี่ยต่ำกว่าความจริงคือ บางคนก็คาดการว่า 20% บางคนคาดการว่า 30% หรือบางคนฉลาดหน่อยก็บอก 50% านครึ่งครึ่งแต่จริงๆแล้วก็ยังต่ำกว่าความจริงนะในกองนั้นแนะเพราะว่าภาพคนกลาดเกลียวเนี่ยบางทีก็มี60บ้าง70บ้างเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าแทบจะไม่มีใครเนี่ยที่คาดการไปถึงขนาดนั้นเลยส่วนใหญ่ก็ อย่างมากก็ห้าสิบแต่น้อยกว่านั่นก็เยอะเลยทีนี้เขาก็ทดลองอีกครั้งหนึ่งนะแต่คนต่างกลุ่มภายในกองเนี่ยถ้าจั่วได้ไพ่ที่มีเครื่องหมายนะเครื่องหมายนี้ก็แล้วแต่นจะเป็นเครื่องหมายดอกจันเครื่องหมายตกใจก็ได้นะจะได้รางวัล เได้เงินแต่ถ้าจั่วแล้วได้ไพ่ที่ไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยโลง่ลงๆเปล่ปาๆก็ไม่ได้อะไรเแ็จแล้วก็ใกล้าทายนะวันนี้ถ้าจะจัว่วครั้งต่อไปเนี่ยไพ่ใบต่อไปเนี่ยแนวโน้มโอกาสที่จะได้ไพ่เนี่ยแบบไหนเนี่ยให้ลองทํานายดูให้ลองคาดการดูนะถ้าจั่วไพ่เนี่ย ใบต่อไปเนี่ยคิดว่าจะได้หรือคาดการว่าจะได้ไพ่แบบไหนส่วนใหญ่นะก็จะคาดการว่าจะได้ไพ่ที่มีเครื่องหมายซึ่งจั่วแล้วก็จะได้เงินได้รางวัลให้คนไหนทำเขาจคนไหนจัวก็ส่วนใหญ่หรือว่าท่าทั้งหมดก็จะคาดการว่าหรือคิดว่าเนี่ย แนวโน้มที่จะได้ไพ่ที่มีเครื่องหมายเนี่ยนะมากกว่าความจริงคือในกองเนี่ยจะมีไพ่ที่มีเครื่องหมายสัก 30% ซนะแต่คนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดก็จะคาดการว่าเนี่ยส0บมาห้าบเมาหกบ็งก็ก็น่าคิดนะไอ้ไพ่ใบที่ มีคนกลาดเกลียวเนี่ยโมโหเนี่ยคนก็จะประเมินต่าว่าภายในกองเนี่ยมีน้อยกว่าที่คิดมีน้อยกว่าความเป็นจริงแต่ไพ่ที่ตัวเองชอบเนี่ยคือไพ่ที่มีเครื่องหมายเนี่ยซึ่งก็หมายถึงการได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคาดการนะสูงกว่าความจริงมันบอกอะไรนะมันบอกว่าคนเราเนี่ย คนเราไม่ค่อยอยากจะเห็นภาพคนกราดเกลียวคนเราไม่ชอบไม่ชอบคนหน้าตากราดเกลียวเพราะนั้นเราก็เลยคาดหวังว่าหรืออยากจะให้ภาพเนี่ยภาพที่ว่าเนี่ยมันมีน้อยก็เลยคาดการนะว่าภายในกลองเนี่ยจะมีภาพคนกราดเกลียวเนี่ยต่ำกว่าความจริงเพราะไม่ชอบเนเพราะไม่อยาก ในทางตรงข้ามเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้การ์ดหรือไพ่ที่มันมีเครื่องหมายเพราะถ้าจั่วได้ก็ฉันก็จะได้รางวัลมันก็มีความคาดหวังว่าอยากจะเห็นภาพเห็นการ์ดแบบนี้เยอะๆในกองก็เลยคาดการว่ามันจะมีมากกว่าความจริงนะวันนั้นเนี่ยอันนี้ก็ชี่อว่าการคารดการคนเราเนี่ยนะ มันก็ขึ้นอยู่กับความคาดหวังหรือผู้ใหญนก็คือว่าเราอยากได้อะไรเราก็อยากจะเห็นสิ่งนั้นเยอะๆเราไม่อยากจะได้อะไรไม่ชอบอะไรเราก็อยากเห็นสิ่งนั้นน้อยๆซึ่งบางครัมันก็สวนทางความจริงเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันมีน้อยในสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่ชอบเนี่ยมันมีมากมันก็แสดงเห็นว่านะ ความอย่างคนเราหรือความปรารถนางคนเราเนี่ยมั น, ม, นมีทิพลนะต่อมุมมองต่อการรับรู้สิ่งต่างๆซึ่งมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้หรือคาดการตามความเป็นจริงได้บางทีเราก็เดินทางเราก็คาดหวังนะอยากจะให้รถไม่ติดอยากจะถึงที่หมายไว เราก็มักจะคาดการว่าถนนเส้นที่เราจะไปเนี่ยนะมันคงไม่มีอะไรมาก <c oughs> แต่พอเจอรถติดเข้าก็จะผิดหวังเ <c oughs> พราะความจริงมันไม่ตรงกับความคาดหวังความทุ่มคนเราเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละความคาดหวังไม่ตรงความจริงหรือความเป็นจริงเริ่มก็แปลกนะคนเราเนี่ยพอพอร่ารวยมากๆเนี่ยทาไมเราจรึงทุกข์ ไม่เคยมีความสุขสักทียิ่งรวยไม่ว่าจะรวยเท่าไหร่ไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีความสุขทั้งที่สุขสบายกว่าเมื่อก่อนอันนี้ก็เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าพอคนเรามีเงินมากขึ้นรวยมากขึ้นเราก็คาดหวังสูงขึ้นนะแต่ก่อนตอนที่ไม่มีเงินเราก็คาดหวังแค่สิพอมีเงินเราคาดหวังร้อยแต่ยิ่งความหวังสูงเท่าไหร่และความเป็นจริงมันไม่ตรงกับความคาดหวัง คือมันต่ำกว่าความคาดหวังก็จะมีความทุกข์งั้นได้เท่าไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหลักการอย่างความสูงนะถ้าคาดหวังสูงในทางตรงข้ามถ้าได้น้อยแต่คาดหวังต่ําก็อาจจะมีความสุขก็ได้นะงั้นคนเรานี่ถ้าหากว่าอยากจะมีความสุขเนี่ยต้องคอยสังเกตความคาดหวังคนเราว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าลดความคาดหวังลงสักหน่อยอาจจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นก็ได้คนสมัยก่อนเขาก็มีน้อย แต่เขาก็มีความสุขมากเพราะเขาคาดหวังต่ำส่วนหนึ่งพราะมันไม่รวยจะคาดหวังอะไรมากไปกว่า น, นั้นนะเทคโนโลยีก็ไม่มีนะเจอความร้อนก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะหายร้อนเพราะมีพัดลมหรือมือแอร์ก็ฝึกทําใจลดความคาดหวังลงนั่นคนเราเนี่ยถ้าว่าเราลดความคาดหวังให้น้อยลงหรือจะไปยึดติดความคาดหวังมากเราก็จะมีความสุขได้ง่ายนะ นนที่ท่านบอกเนี่ยสันโดษเนี่ยคือความพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยทําให้คนเรามีความสุขได้ง่ายถ้าคนเรามีสันโดษนะสันโดษนี่ไม่ไป้แปลอยู่คนเดียวนะแต่หมายถึงว่าพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะไม่คาดหวังสิ่งต่างๆเกินความเป็นจริงหรือมากเกินไปเราก็จะมีความสุขได้ง่ายได้น้อยก็มีความสุขนั้นความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้อยู่ที่การความอยากหรือความคาดหวังมากกว่า นั่นถ้ามีความสุขมากก็ลดความคาดหวังลงนะ